วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่20มกราคมพุทธศักราช2539นับเป็นครั้งที่3ของการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการบรรลุธรรมของพระอริยบุคคลบรรยายโดยท่านอาจารย์สุเทพโพธิสัต t าวันนี้ได้เวลานสมควรแล้วใครขอกราบเรียนเชิญอาจารย์ ได้บรรยายในหัวข้อดังกล่าวสืบต่อจากคราวที่แล้วกราบเรียนเชิญอาจารย์ค่ะพระคุณเจ้าที่เคารพท่านสาธุชนวูใกรามทั้งหลายาวันนี้จะให้ท่านใช้เอกสารหมายเลขสองที่ได้ขึ้นหัวประเด็นว่าเถราคาถาแล้วก็จะมีส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ขึ้นหัวข้อว่าเถรีคาถาอยู่ในหน้าที่หกเอกสารชุดเดียวกัน าจุดประสงค์ของการนำเอาเถรีคาถามากล่าวในที่นี้ก็ต้องการจะแนะนำให้ได้รู้จักชื่อซึอ่งท่านก็คงจะได้อ่านเองแล้วแล้วก็ปรากฏว่าเอาข้อจริงเนี่ยพระเถระพระเถรีที่เรารู้จักชื่อจริงๆทึ่มีอยู่เป็นเรือนพันในสมัยพุทธเจ้านั้นเรารู้จักประวัติท่านจริงๆไม่กี่องค์หรอครับถ้าจะให้ผมถามว่าท่านรู้จักใครบ้าง ที่พอจะบอกได้ว่าใครเป็นใครก็คิดว่าคนที่ค่อนข้างจะอยู่ใกล้วัดหน่อยก็อาจจะรู้จักไม่เกินห้าสิบองค์นี่ให้อย่างมากที่สุดแล้วนะฮะที่เหลือนอกนั้นก็แม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่เคยได้ยินเพราะฉะนั้นในที่นี้เมื่อท่านได้รับเอกสารไปท่านก็จะได้เห็นชื่อแต่ว่าเห็นชื่อแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพราะนั้นผมก็จะได้อธิบายแนะนําตัวแต่อย่างย่อที่สุด ที่ต้องพูดอย่างย่อที่สุดก็เพื่อที่จะแสดงทางกายภาพของท่านเหล่านั้นว่าท่านเป็นใครอยู่ที่ไหนแล้วก็การบรรลุธรรมการเข้ามาบวชของท่านเป็นอย่างไรอย่างเป็นสังเขปที่สุดก่อนนะแต่เนื่องจากว่าในเอกสารชุดสองนั้นรวมๆกันแล้วนะมีพระทั้งชายทั้งหญิงเกินกว่าสองร้อยรูปเกินกว่าสองร้อยรูปจถ้าจะให้พูดรูปละหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีก็หมดเวลาพอดี ก็เลยไม่ได้อะไรฟังแห้งๆแขบแคบจนจัดเกินไปผมก็คิดว่าผมจะเลือกอธิบายหรือเลือกพูดเท่าที่จะพูดให้จบได้อย่างสั้นที่สุดแล้วก็พอฟังได้สะดวกหน่อยก็จะพูดในส่วนของพระเทรีก่อนนะซึ่งมีจํานวนพระเทระอยู่ประมาณ7จ็สิบสรูปเนี่ยครับคงจะพอพูดให้จบได้สําหรับพระเทระซึ่งมีถึงสองร้สิบี่รูปนั้นเอาไว้พูด ภายหลังในคราวหน้าถัดจากนี้ที่ท่านเห็นในนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้เปิดในหน้าที่หกเราจะพูดหน้าหกกับหน้าเจ็ดเท่านั้นนะสองหน้านี่ เ, เรื่องเสรีคถาคือคำกล่าวของพระเถลรนเนี่ยพระเถเระหญิงหรือพระภิกษุหญิงนะซึ่งในที่นั้นจะได้บอกแนะนำตั ว, ด, วด้วยตัวของท่านเองนะฮะในแง่ใดแง่หนึ่งซึ่ง มีรายละเอียดที่แตกต่างกันแล้วก็มีความสั้นความยาวแตกต่างกันเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกเนี่ยครับท่านจึงจําแนกแบ่งแบ่งเรียงลําดับชื่อของพระเถระไม่ใช่โดยลําดับอักษรแต่โดยลําดับความยาวของเนื้อหาที่ท่านได้กล่าวเป็นรูปคาถาคาถาเนี่ยหมายถึงคําประพันธ์หรือคําจันทลักษณ์อันนี้เราก็ อ่าพูดกันนิดหนึ่งนะฮะว่าสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมแล้วไม่ว่าสมัยก่อนหรือสมัยนี้ถ้าปฏิบัติธรรมไปถึงจุดลึกๆเนี่ยฮะไอปฏิพันธ์เนี่ยมันออกมาเองถึงอาจที่จะแต่งกรอนสดแต่งคาถาสดกล่าวเนื้อความอะอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเป็นถ้อยคําที่สลัสลวยได้โดยอัตโนมัติเลยเใครที่เป็นนักปฏิบัติธรรมหรือคุ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมแล้วจะเข้าใจตรงนี้ดีนะ เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาท่านปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุธรรมเนี่ยบางองค์ถึงจะไม่รู้หนังสือแต่ว่าอาดีตของท่านสังสมไว้ก็ปูดออกมาก็ทําให้ท่านกล่าวออกมาได้นี่นี่ถือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นไปได้แน่ๆนะะจากหลักยืนยันในปัจจุบันนี้แต่ว่าอาจจะสันนิษฐานว่าในบางส่วนเนี่ยอสังคีติกาจารุ่นหลังท่านอาจจะเอาเอาวิธีปฏิบัติหรือการแสดงออกของพระที่ท่านปฏิบัติแล้วก็เกิด ธรรมะขึ้นเกิดบทกรอนบทอะไรขึ้นนะฮะอย่างเดียวนี้พูดกันนะ่ะผมผมก็เข้าใจทันทีหลายท่านที่เป็นวิทยาศาอาจารย์พูดว่ปฏิบัติเรือ็กๆแล้วก็เกิดเกิดคํากรอนปรากฏขึ้นคํากรอนนะี่คือคํากรอนที่สะท้อนทำที่ตัวเองได้รู้สึกในแง่ต่างๆกันเป็นอารมณ์อันเดียวกันอย่างนี้ อ ท, ที่สันนิษฐานไว่าอย่างในใ น, นักวรรณนักดีบาลลีเขาบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องพระสังกิติก า, าจาร์มาแต่งแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าจะเป็นการแต่งก็อาจจะจ ะ, จะแต่งในลักษณะที่อทําตามการแสดงออกของพระส่วนมากในสมัยนั้นท่านทำพอมาถึงยุคของการรวบรวมก็มาผูกเป็นเป็นกาถาขึ้นก็ได้จึงออกมาเป็นลูกของคาถา ก, ก็เผื่อไว้เป็นสองอย่างนี้นะแต่ยืนยันว่า พระเหล่านี้ท่านสามารถจะพูดเป็นคำคมจะคมแบบแบบกรอนหรือคมแบบคำคมกาลูโมหานอะไรก็ได้คำ เ, เปรียบเทียบอะไรต่างๆอย่างที่เป็นคำสุภาษิตเนี่ยได้ทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกประสบการณ์คนรุ่นเราก็ยืนยันอย่างนี้ได้มันเป็นไปเองครับถ้าตั้งยิ่งตั้งเจสนาสักนิดเดียวเนี่ยครับโ่งออกมาทันทีเลย นี่ผมอยากจ ะ, จะยืนยันความเข้าใจสำหรับท่านที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างในเชิงวรรณคดีแง่เดียวเอาละครับเราก็มาม า, มาดูว่าคาถาใดหรือเนื้อความใดที่เป็นคาถาเพียงบาทเดียวท่านจะจัดกลุ่มของพระเทรีเหล่านั้นมาอยู่ในส่วนของเอกรณิบาทนิบาทเนี่ยแปลว่าตามความเนี่ยมันแปลว่าบทนั่นเองนะ เป็นไวโพสของคําว่าวักเป็นไวโพสของคําว่าการแต่ว่าไอ้ไอ้ไอรูปสามนี่มันแปลว่าตกตกนี่หมายถึงท่อนตกของเนื้อความช่วงหนึ่งหนึ่งเรียกว่านี้บาดหนึ่งหนึ่งเหมือนกับยิงธนูจากจุดยิงเริ่มต้นลูกธนูก็จะยานขึ้นไปเบื้องบนแล้วก็ถึงจุดตกทันบางคนมีกําลังมากก็ยิงธนูจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดตกด้วยระยะทางที่ไกลกว่าบางคนที่มีกําลังน้อย เพราะนั้นไอ้ช่วงตกอย่างเนี้ยก็เอามาเรียกเป็นวักเป็นบทในทางวรรณคดีบาลีท่านจึงเรียกวันนิบาตวันนิบาตก็มีตั้งแต่เอกอ น, นิบาตเรื่อยไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงถึงมาบงพระเทระบังองค์เนี่ยกล่าวคาถามากที่สุดเลย อ, อย่างในเทระคาถาเนี่ยครับมีองค์องค์งสุดท้ายท่านเรียกเรียกนิบาศ ของท่านภูนั้นซึ่งมีอยู่องค์เดียวว่ามหานิบาตถ้าเราดูชื่อแล้วเราก็ไม่แปลกใจเพราะว่าท่านภูนั้นคือท่านวังคีสา น, นั้นได้รับยกย่องในทางปฏิพานท่านมีปฏิพานเก่งในเรื่องของคำคมคาลมโวหารเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมาอุทานถึงเรื่องของตัวท่านเองท่านจึงแสดงความถึง เรื่องของตัวท่านอย่างพิสดารกว่าคนอื่นหมดไม่ว่าจะเป็นพระเถระหรือพระเถรีก็ตามอันนี้ก็เป็นความหมายโดยย่อก่อนนะฮะสาหรับเรื่องเรื่องการจัดรูปแบบเรามาดูประวัติโดยย่อของพระเถรีองค์ที่หนึ่งที่มีชื่อว่าอัญจตรลาเถรีอัญจตราเถรเีเนี่ยความจริงโดยชื่อก็แปลว่าพระเถรีองค์ใดองค์หนึ่งคือไม่ได้เรียกเป็นชื่อที่ชัดเจน ความจริงท่านเองนะมีชื่อชัดเจนติดตัวมาแต่เกิดชื่อเดิมของท่านเถริกาแปลว่านางผู้มีร่างกายล่ำสันแปลว่าอย่างนั้นนะก็คงจะหมายถึงคนที่มีเนื้อมีหนังมากหน่อยเรียกว่าเถริกานางนั้นเป็น <c oughs> ลูกกษัตริย์มหาศาลลูกกษัตริย์มหาศาลหมายถึงลูกกษัต ร, ริย์ไม่ใช่พระเจ้าบันดิน แต่หมายถึงบุคคลที่เกิดในวันณักษัตริย์ที่มีฐานะร่ำรวยจะเรียกว่ากษัตริย์มหาศาลซึ่งอยู่ในเมืองเวสาลีนี่ก็ฟังและตั้งข้อสังเกตไปเรื่อยๆนะฮะว่าต่อไปใครอยู่เมืองไหนใครเกิดที่ไหนมันมีหลายประเภทให้เราได้ประกอบความคิดไม่จําเป็นต้องจําฟังเพื่อเอาความคิดรวบยอดบางอย่างไปเรื่อยๆอนางเองนั้น ได้มีความเลื่อมใสาศาสนามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กสาวคือพูดง่ายๆว่าสนใจศาสนาชอบฟังธรรมะมาตั้งแต่เด็กสาวก็ไม่ต่างอะไรกับคนทุกยุคทุกสมัยรวมทั้งยุคนี้ด้วยอานางเองนั้นอยากจะบวชแต่ว่าผู้ใหญ่ไม่อยากให้บวชก็จับแต่งงานแต่งงานแล้วก็ขออนุญาตสามีบวชสามีก็ไม่อยากให้บวชก็ทนอยู่แต่ทนอยู่ก็อยู่ถึงจะทนอยู่แต่ก็ ได้ประพฤติธรรมของผู้ครองเรือนเป็นปกติดีแล้วก็บัวไม่ช้ำโลกไม่ช้ำธรรไม่กุนก็ฟังเทศฟังธรรมจนกระทั่งไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานก็เอากรรมฐานเนี่ยมาพยายามปฏิบัติในเพศที่ไม่ได้บวชและวรอ น, นี้นะผมเคยเล่าแล้วว่าวันหนึ่งขณะที่อยู่ในครัวหุงอาหาร คงจะเจริญวิปัสนาจัดไปจนกระทั่งไฟไหม้หม้อข้าวหม้อแกงเสียงดังเปลี่ยนเปลยแล้วแฟนที่จะทำให้นางตกอกตกใจก็ถือเอาเป็นอารมณ์กรรมฐานน้อมนึกกลับเข้ามาดูความเกิดดับของรูปของนามในสรีละของตัวเองจึงได้บรรลุเป็นพระอนาคามีต่อหน้าหม้อข้าวหม้อแกงในที่นั้นเอง เป็นอนาคามีพอเป็นอนาคามีแล้วเนี่ยตั้งผู้หญิงผู้ชายผู้ชายก็ไม่ถูกผู้หญิงผู้หญิงก็ไม่ถูกผู้ชายไม่ว่าจะให้เขาถูกหรือตัวไปถูกเขาแล้วก็การแต่งเนื้อแต่งตัวต่างๆจะไม่มีการสั่งสมเบญจากรรมมกุลจะไม่มีอันนี้เป็นปกติของผู้ที่เป็นเป็นพระอนาคามีเพราะฉะนั้นสามีเองก็เริ่มรู้สึกว่าภรรยาของตัวเองนั้นเปลี่ยนไปไม่คือก็ไม่ใช่เกลียดแต่มีความรู้สึกว่าเธอสูงเกินไป เหมือนมีภรรยาเป็นพระอยู่ที่บ้านก็เลยต้องจำยอมให้บวชพาไปส่งสำนักฟิกษุนีให้บวชกับพระนางมหาประชาบดีคอตมีและในที่สุดนางก็สามารถทำที่สุดแต่งทุกเป็นพระอรหันต์ได้โดยรวดเร็วที่สุดองค์ที่สองนางมุตตาเถรีนางมุตาามตาเทรีนั้นเป็นลูกพรหมมหาศาล ชาวเมืองสาวัตถีอที่ชื่อว่ามุตตาเนี่ยมันแปลว่าผู้มีอุปนิสัยที่จะหลุดพ้นน่ะฮะแต่จริงในทางโลกโลกก็อาจจะหมายถึงมีอุปนิสัยที่เป็นไปในทางดีสามารถที่จะอบรมไม่ดีได้ในทางธรรมะล้วก็มีความหมายกระเดียดมาในทางอุปนิสัยในทางหลุดพ้น เ, เมื่อนางอายุได้ยี่สิบปีได้มาบวชโดยที่ มาบวชกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีเหมือนกันอันนี้ท่านก็สังเกตได้ด้วยนะเดี๋ยวจะมีเจ้าสำนักหลายสำนักเดี๋ยวจะดูว่าใครเป็นเจ้าสำนักใหญ่กว่ากันในบรรดาพระเถรีด้วยกันที่ว่ามาสองรายนี้ก็บวชกับนางมหาประชาบดีโคตมีก็ยังเป็นสิกขามานาอยู่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ภายในเจ็ดวันแต่ว่าตอนบรรลุเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ทรงเข้ามาเกี่ยวข้องการเข้ามาเกี่ยวข้องก็โดย ทรงเข้ามาเกี่ยวข้องในรูปของการเข้ามาแก้ไขาอารมณ์ในขณะปฏิบัติธรรมเวลาหลีกเล่นอยู่นะการเข้ามาเกี่ยวข้องของพระพุทธเจ้าโดยมากเนี่ยนะครับจะทรง เ, เข้ามาเกี่ยวข้องโดยอิทธาพิสังขารคําสอนที่ทรงนําเข้ามาโดยอิทธาพิสังขารด้วยความสามารถดังฤทธิ์ฤทธิ์หมายถึงฉายพระโอภาสไป ประนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเองก็ได้ทรงแสดงธรรมจนกระทั่งนางแก้ไขอารมณ์ได้ได้บรรลุเป็นพระรานต่อไปองค์ที่สามชื่อว่านางปุนาเทรีนางปุนาเทรีนั้นเป็นลูกข้าบดีมหาศารลรวยกันมาสามลายแล้วนะเป็นชาวเมืองสาวัตถีเหมือนกันปุนาก็แปลว่าบริบูรณ ก็หมายถึงบริบูรณ์หรืออัจิยาศายหรืออุปนิสัยนางกุณนานั้นได้ออกบวชเมื่ออายุยี่สิบเหมือนกันก็บวชทีแรกเนี่ยก็จะต้องมาเป็นสิกขามานาก็บวชกับนางพระนางโคตมีเช่นเดียวกันอีกครับแล้วก็ได้บรรลุธรรมในเวลาไม่นานนักบางทีท่านก็ไม่ได้บอกวันไว้บอกว่าในเวลาไม่นานนักก็โดยพระพุทธเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องโดยโอภาสกาถา เหมือนองค์เมื่อกี้ผมกันอันนี้ผมผมเล่าสั้นๆบานเลยไปองค์ที่สีชื่อว่าพระนางติดสาพระนางติดสานั้นเป็นเจ้าสากยะชาวเมืองกระบิ่ลพัดแล้วก็ฐานะพิเศษของนางที่เกี่ยวขุติเจ้าแต่เดิมนั้นนางเป็นสนมของพระโพ ธ, ธิสัตว์เมื่อยังไม่ได้บวชคือเป็นผู้ดูแลใจใส่เอารับอทําหน้าที่รับใช้ในแผนกต่างๆกันไปนะในนี้ไม่ได้ระบุไว้นางได้ออกบวช พร้อมกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีอเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงว่าพระนางประชาบดีนั้นบวชเมื่อไหร่แล้วก็บวชโดยมีใครออกบวชบ้างก็มีคนบวชตามนะเอในนั้นบอกว่ามีมีบริวารออกบวชตามเนี่ยตัวเลขว่าห้าร้อยนะก็จะห้าร้ยจริงหรือไม่เนี่ยเราก็พิสูตรอะไรไม่ได้แต่ก็บวชตามกันเยอะแล้วก็ในห้าร้อยนั้น พระนางติสานั้นเป็นรูปหนึ่งที่ออกบวชตามและก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์โดยเร็วซึ่งมีพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอภาสกาถาเข้ามาแก้ไขอารมณ์ไอ้ตรงนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ที่จริงน่าจะพูดวิจัยวิจารณ์แต่ว่าเวลาของไม่พอผมจะเก็บเอาตรงนี้เอาไว้อธิบายเป็นเป็นข้อขมวดทางหลักวิชา นะฮะแล้วก็จะยกตัวอย่างเป็นบางบางรายเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องชัดไปเลยว่าไอ้ตรงนี้นะมีบทบาทสำคัญอย่างไรเพราะว่าลักษณะของอาจารย์ที่จะทำให้คนบรรลุธรรมได้เนี่ยไม่ใช่ง่า ย, ายๆแหละครับจะต้องมียานโดยโด ย, ย่างยิงคนที่รู้ใจเนี่ยนะอันนี้เราพิสูจน์กันได้ในยุคปัจจุบันนี้คนที่รู้ใจด้วยเจโตบริยะหรือด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม ว่าคนนี้แค่ไหนคนนี้อ่า <Okay. S 1> ควรจะพูดให้จีใจดําอะไรอย่างไรนี่กุญแเจ้าทรงทำรร ม, มาหมดในเฉรี่ยคาถาดีรกคาถานี่แหละครับแต่ละองค์แตกต่างกันแล้วก็การที่จะนําทําให้เขาบรรลุธรรมได้แก้ไขปัญหาจิตใจได้ยกระดับจิตใจในทางภาวนาได้ทําอย่างไรมีวิธีหลายหลากมากน่าศึกษาอย่างยิ่งแล้วก็ในนี้จะมีเป็นแบบสั้นๆซึ่งผมจะชี้ให้เห็น เมื่อถึงตรงนั้นเเมื่ออพระพุทธเจ้าท่านก็ทำบางอย่างอย่างที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวก็ติดตามต่อไปตรงนี้ขอผ่านเลยไปว่าอพระเถรีตั้งแต่องค์ที่ห้าถึงองค์ที่สิบอันนี้พูดรวบกันไปแล้ที่พูดรวบกันไปเพราะว่าองค์ที่ห้าถึงองค์ที่สิบที่มีชื่อว่าอัญัตราติสาเถรี องที่ห้านะอง์ที่หกเทราเทลีองค์ที่เจดวีลาเทลีองค์ที่แปดมิตตาเทลีองค์ที่เก้าพัฒนาเทลีองค์ที่สิบอุปปสมาเทลีองค์ที่สิบเนี่ยนะะรวมแล้วก็หกองค์เนี่ยที่ว่าเหมือนกันเนี่ยนะฮะมีฐานหน้าพิเศษเป็นอดีตสนมของพระพุทธเจ้าทางนั้นมันก็ก็ให้ข้อสังเกตอะไรบางอย่างว่าการที่คนจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ในฐานะใดๆก็คนมีบุญเนี่ยจะต้องมีบุญแล้วก็อะไรๆที่ได้ทําไว้กับคนมีบุญนั้นเมื่อคนมีบุญประสบความสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นหรือเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในขณะนั้นผู้มีบุญนั้นก็จะปกแผ่ส่วนแห่งผลประโยชน์มาให้จะเป็นในทางวัตถุหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งเป็นเกียรติยศชื่อเสียงด้วยตั้งโดยตรงโดยโดยไม่ได้ตั้งใจโดยตั้งใจก็ตามโดยตรงโดยอ้อมก็ตาม และถ้าบุคคลนั้นบรรลุธรรมเนี่ยก็จะมีผลทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนบรรลุธรรมเป็นเรื่องของการทําบุญร่วมกันไว้แล้วก็เกี่ยวข้องกันในฐานะต่างๆอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งผมไม่ได้พูดเป็นลักษณะต้องการยายกย่องใครอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นทํานองติดลบอะไรทั้งสิ้นนะแต่นี้ในทางธรรมศาสตร น, นี้อธิบายเป็นลักษณะอย่างนี้ก็บรรดา ท่านเหล่านี้เมื่อพระพุทธเจ้าออกบทนาบรรดาพระสนมเหล่านี้ก็ได้ออกบทบวชคราวเดียวกันกันกบพระนาหนางัออนะะนานางออกบทนะฮะพระนาหนังออกบทก็นี่คือเป็นเป็นบริวารส่วนหนึ่งก็หมายว่าบริวารของพระนาหนางเนี่ยมาจากคนหลายสายสายหนึ่งก็คืออดีตสนมที่ตอนนี้เห็นจะตกงานมาหลายปีแล้ว ก, ก็เลยไปบวชกันเป็นแถวเมื่อไปบวชแล้วก็ปรากฏว่าทั้งหมดเหล่านี้ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ที่ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาหมดเลยโดยเว้นองค์ที่เจ็ดไว้ก่อนเนี่ยนะฮะเว้นองค์ที่เจ็ดไว้ก่อนที่เหลือนอกนั้นบรรลุเป็นพระอาหารหันต์โดยพระพุทธเจ้าทรงดูแลในระยะไกล เขาก็ยแก้ไขระยะไกลแล้วก็ทําให้บรรลุเป็นพระอาหารหันด้วยโอภาษในระยะไกลแต่สาหรับองค์ที่เจ็ดนะแพ้คนอื่นองค์อื่นตรงที่ว่าพระนางวีลาเถรีนั้นได้บรรลุธรรมเมื่อได้ฟังพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมสดสดร่วมกับผู้อื่นในที่หนึ่งหลังจากนั้นก็ได้ไปขวนขวายเองก็ไม่นานนักแต่ก็นานกว่าเพื่อนคนอื่นจึงได้บรรลุเป็นพระอาหารหัน ที่ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมภิธาด้วยอันนี้ก็มาดูองค์ที่สิบเอ็ดองค์ที่สิบเอ็ดชื่อว่ามุตตาเถรีเป็นองค์นี้นะ่ะเห็นจะกลับตลัปัดนะครับกรรมพืชเดิมนั้นเป็นลูกพราหมยยากจนที่เกิดในโกศลชนบทคือบ้านนอกตำบลหนึ่งที่อยู่ในแคว้นโกศลเรียกว่าโกศลชนบท นางเมื่อได้เจริญเติบโตขึ้นเนื่องจากว่าเป็นคนยากจนพ่อก็เห็นว่าควรจะมีเรือแล้วก็ไปยกให้กับพราหมณคนหนึ่งบังเอิญพรามณคนนี้เป็นพราหมค์ขอมค่อ ม, อมหมายถึงพรามหลังค่อมเนื่องจากว่านางเองนะโดยนิสัยเดิมเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะไม่ชอบคลองเรือนอยู่แล้วมาได้สามีที่ค้อมก็รู้สึกว่า เบื่อหน่ายเรื่องการคลองเรือนมากขึ้นความจริงสามีก็ไม่ใช่เป็นคนชั่วไรอะไรนะะแต่ว่านางมีอุปนิสัยทางนี้เมื่อคลองเรือนอยู่กับสามีระยะหนึ่งนางก็ขออนุญาตสามีบวชก็รู้สึกว่าสามีใจดียอมให้เมื่อนางออกมาบวชก็ได้ตั้งใจเจรเินวิปัสสนากรรมฐานว่านางมีนิวรณ์ตัวหนึ่งที่รบกวนจัด ท่านแท้คำว่ามีจิตคิดพรุ่งพล่านไปในภายนอกฟุงซ่านอุตจตจกัตรจกรกุกจักแรงก็ประพฤติธรรมแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ผลพระพุทธเจ้า ก, ก็ทรงรู้รอว่าวิสัยบา ร, รมีแก่กล้าก็ทรงตรัสเออไม่ใช่ขอโทษตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ ไ, ม ไ, มได้ทํานิมิตโอภาสษนะนางสอนตัวเองด้วยตัวเองครับ จากอดีตของนางเนี่ยยกขึ้นมาเป็นเครื่องสอนตัวเองอันนี้เรียกว่าเป็นความคิดที่เข้ามาแก้ไขใจเป็นความคิดที่เข้ามายกระดับใจแล้วก็คําสอนที่นางยกขึ้นมาสอนตัวเองเนี่ยมันเกี่ยวกับประวัติเก่าของนางว่านางเนี่ยเมื่อไม่ได้บวชเนี่ยก็ไม่พ้นจากความคล่อมสามอย่างความคล่อม ค่มก็คล่อมลึกไม่เหมือนกันนะคล่อมหลังคล่อมเนี่คอควายตัยวเดียวใช่ไหมคล่อมสามอย่างคือหนึ่งคล่อมด้วยครบสองคล่อมด้วยสากสามคล่อมด้วยสามีเป็นความคล่อมสามนางก็ปลาลบอย่างนี้เพื่อตัดใจไม่ให้หันเห ไปสู่ไอ้ความบุ้งบ้านดังโลกเพราะาตัดใจได้ก็บรรลุธรรมก็ได้กล่าวเป็นคาถาแสดงความสําเร็จวันนางได้พ้นจากความคล่อมสามอย่างแล้วเ อ, อตรงนี้อธิบายนิดนึงว่าที่ว่าค่อมโดยสามีคือมีสามีหลังค่อมหมายความว่างั้นแล้วก็ค่อมด้วยคลกเนี่ยหมายก็เวลาตามข้าวตามก ต, ติชีวิตหรือวิถีชีวิตสมัยก่อนจะต้องเอาก้มตัวก้ ม, ก ม, กมเๆเงยๆอ่ะ สมัยก่อนนะชีวิตคนจะได้ข้าวสารมากินเนี่ยก็สุปมาหุงกินมันปวดหลังแล้วบางทีเกือบจะไม่คุ้มกับค่าค่ายิมน ะ, ะแล้วก็คล่อมเวลาเวลาตามข้าวก็จะต้องก้มตัวลงไปก้มๆเงยๆเป็นความคล่อมสามอย่างที่พูดง่ายๆว่าเป็นความทุกข์ในชีวิตคลองเรือนที่นางรู้สึกว่ามันจำเจ นางก็อยากจะพ้นบัตรนี้ก็พนแลลวอันนี้เป็นองค์ที่สิบเอ็ดมาถึงองค์ที่สิบสองเนี่ยเป็นเอตทัคคะเป็นเอตทัคคะที่เราได้ผ่านตามาเมื่อคราวที่แล้วเอตทัคคะของพระา น, นางธรรมทินนาเสรีนั้นได้รับยกย่องว่าเป็นธรรมกระถือผู้สแสดงธรรม อนางเองนั้นเป็นใครมาจากไหนตอบว่านางเป็นชาวกรุงราชครืดเป็นลูกคนมีอันจะกินในกรุงราชครืดแล้วก็ได้ออกเรือนด้วยแต่งงานกับวิสาขาเศรษฐีทั้งสองคนนั้นมีอะไรอะไรเสมอกันอย่างหาที่เปรียบได้ยากทีเดียวเมื่อแต่งงานมาอยู่ี่กนี่ก็ได้เคยเล่าแล้วว่าสามีได้ไปฟังธรรมะจนทั่งบรรลุเป็น พระอนาคามีกลับมาแล้วพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นเวลาขึ้นบ้านไม่ให้ภรรยาจูงมือไม่ยืนมือมาให้จูงจับขึ้นสู่เรือนจาก บ, บันไดานางก็ไม่เข้าใจทีแรกแล้วเวลารับประทานอาหารก็รับประทานอาหารอย่างพระฉันอาหารคือไม่พูดไม่จา อ, อพอฉันอาหารเสร็จกินอาหารเสร็จแล้วนางก็ถามว่าทําไมถึงเปลี่ยนไปพิสาขาก็บอกว่า เพราะว่าอฉันเป็นพระอนาคามีแล้วไม่อาจที่ใช้คําว่าอย่างนงี้ไม่อาจที่จะรับประทานอาหารอย่างหล่อแหละเช่นแต่ก่อนได้้คําว่าหล่อแหละหมายถึงกินได้กิเลสกินใบกุยไปหรือกินเ้วย อ, อาการอื่นใดก็ตามที่ไม่ใช่บุคลิกอย่างพระฉันเรียกว่าฉันอาหารอย่า ง, างหล่อแหละแล้วก็ไม่ไม่ไม่จะไม่ให้ใครจับมือแล้วก็ไม่จับมือใครที่เป็นเพศตรงข้าม ทั้งไม่ได้บวชนั่นะแหละจะเป็นอย่างนี้จะระวังอันนี้เพราะว่ากรรมราคะท่านหมดนางก็เลยเเออเ อ, อ่สามีก็เลยจะยกสมบัติให้นางไม่รับขออนุญาตบวชสามีก็เลยนําไปบวชก็ไปบวชแล้วก็ปรากฏว่าได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก่อนสามีได้วซ้ำสามีนะเลยไม่ได้บวชตลอดชีวิตเลยนะแล้วก็เข้าใจว่า จะยังไม่ได้บรรลุเป็นพระหานคงไปบรรลุในบรมโลกนี่เป็นพระนางธรร ม, มทินนาเทรีต่อไปนางวิวสาขาไม่ใช่นางวิสาขามหาอุบาสิกาชื่อเดียวกันครับแต่ท่านผู้นี้เป็นพระภิกษุณีเป็นชาวกะบิลพัดและเป็นอดีตสนมพระโพธิสัตว์เช่นเดียวกันออกบวชพร้อมกับพระนางนางได้ฟังธรรมในพุทธสํานักคือ ฟังธรรมจากพุทธเจ้าแล้วก็กลับจากบินทบาทหลีกลเลนไปบรรลุธรรมได้ในที่หลีกลเลนด้วยตัวท่านเองนี่ก็เป็นอีกองคหนึ่งต่อไปสิบสี่รันางสุมานาเถรีรันางสุมานาเถรีนั้นเช่นเดียวกันครับอดีตเป็นสนมพระโคดีศักด์และได้ออกบวชคล้ายๆกับองค์อื่น ได้บรรลุธรรมเพราะพระพุทธเจ้าทรงใช้โอภาสคาถาตรัสทำให้บรรลุธรรมนะนะแล้วก็พอตรัสคะถาจบก็ได้บรรลุก็คล้ายๆกับองค์อื่นนะครับชื่อว่าสุมน า, <S <S า, นาองค์ที่สิบห้าอุตราเถรีอุตราเถรีนั้นเกิดในสากยะสกุลแล้วก็เป็นอดีตสนมพระโพธิสัตว์อู่เหมือนกันออกบวชและมีประวัติคล้ายๆกับองค์ ก่อนที่ผ่านมานะแต่ส่วนตานี่จะต่างกันที่คาถาที่ทรงสอนคาถาที่ทรงสอนว่าสอนองค์ไหนคาถาแตกต่างอย่า ง, งองค์นี้นะผมจะยกคาถาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแก่อ่าพระนางผู้นี้ให้ฟังชนิดหนึ่งเราก็จะพอดูคําอธิบายของอัตกถาที่แจงแล้วก็เป็นการชี้ให้เห็นถึงสภาวะของอารมณ์ ที่เธอได้บรรลุเพราะอะไรเลยทีเดียวได้ทรงตรัสว่าท่านจงเห็นธาตุทั้งหลายโดยความเป็นทุกข์แล้วอย่าเข้าถึงความเกิดอีกเลยท่านคลายความพอใจในภพแล้วจักเป็นผู้สงบระงับเที่ยวไปคำว่าเห็นสังคเห็นธาตุทั้งหลายโดยความเป็นทุกข์ตรงนี้ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าให้ทุกขานุปัสนา คือแสดงนามรูปหรือสอนให้ปฏิบัติให้กำหนดนามรูปด้วยการเพ่งโดยทุกขลักษณะที่เป็นลักษณะเหมาะแก่นางและนางก็ได้กำหนดทุกขลักษณะจนได้บรรลุธรรมตัดภาวะราคาสังโยชน์ซึ่งหมายถึงเป็นริลลาระค์แล้วก็มีชีวิตดำเนินเป็นปกติอย่างเป็นผู้ที่พ้นจากกิเลสคือเป็นผู้สงบระงับที่เอไปอันนี้ก็กว่า ย, ยางน้น อาธิบายตามตรกถฐาพูดถัดมาจากนั้นครับองค์ที่สิบห้าตรงนี้ก็พิเศษออกมาแล้วชื่อนะ่ะใครพอรู้บาลีบ้างก็จะนึกความหมายออกใช้คาวุฒธธะปปปิจตะเราคุ้นมาจากคำว่าสุพัทธะวุฒะปปปิจตะคือสุพัทธะผู้บวชเมื่อแก่ ในหมาปีนีพ่านสูตรไม่ต้องพูดถึงนะเราเคยได้ยินคุณหูแหละแต่ว่ารายนี้น่ะเป็นพระเถรีชื่อตัวคือสุมนาแต่เพราะสุมนารูปนี้น่ะไม่ใช่สุมนารูปที่สิบสี่นั่นสุมนาสาวนี่สุมาาแก่แก่เนี่ยทั้งแก่โดยวัยด้วยแล้วก็บวชเมื่อแก่ด้วยแต่ว่าการบวชเมื่อแก่ของนางเนี่ยไม่ใช่มาได้สํานึกในธรรมเมื่อแก่ ได้สำนึกมานานแล้วแต่ว่าโอกาสมาได้บวชเมื่อแกก็ได้ความว่านางผู้นี้น่ ะ, ะพระนางสุมนาาเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดานางเป็นภคินีพูดง่ายว่าเป็นเอภคินีนี่น้องสาวใช่ไหมน้องสาวของพ่อของพระเจ้าภระเศรที่โกศล พระองคเป็นเจ้สิที่โกศล น, นั่นคือพระเจ้ามหาโกศลก็พูดภาษาเราก็เรียกว่าเป็นอาอาของพระเจ้าประสิณที่โกศลได้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามานานแล้วก็อยากบวชมานานแต่เพราะเหตุว่าพระนางนะั้นมีภาระต้องปรนนิบัติสมเด็จ ย, ย่าซึ่งอายุยืนมากก็ขนาดยืนตั้งเกินร้อยเนี่ยตอน สมเด็จย่าสิ้นพระชนมาพระเจ้าเกษตที่โกศลอยังทรงเป็นทุกข์ถึงขนาดต้องไปปรึกษาพระพุทธเจ้าให้ช่วยดับทุกข์ให้นางก็ปริบัติมาจนกระทั่งเกว่าแก่ไปได้วยกันพอสมเด็จย่าสิ้นพระชนนางก็ว่าเราก็พน้นภาระแล้วจะได้บวชแสวงหาประโยชน์ตนเสีทีจึงได้รวบรวมเอาเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนหมห่มหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับเอาโดยเฉพาะที่เหมาะแก่สมณูปพภกนำไปถวายประสงค์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกตอนนั้นพระเจ้าปะเสนติโกโสลสเสด็จด้วยก็ไปทำบุญทำบุญทิ้งทุนแล้วก็บวชเลยทีนี้ก็เป็นนั้นว่าพระ น, นางได้ไปบวชและเมื่อได้บวชแล้ว ตอนที่ไปทําบุญถวายของนะครับพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจะว่าเป็นอนุโมทนากุศลหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะครับจะว่าอนุโมทากุศลก็เรียกว่าส่วนอนุโมทนารับของโยมด้วยหลักธรรมะเบื้องสูงนางฟังอยู่ในที่นั้นบรรลุเป็นพระอนาคามีทันทีเมือ่อเมื่อฟังธรรมะจบ เมื่อบรลุเป็นพระนาคามีแล้วก็แน่นอนถึงไม่บรลุก็ต้องบวชนางก็ได้บวชเมื่อได้บวชแล้วจากนั้นพระนางได้บำเพ็ญความเพียรโดยอยู่ในความควบคุมของพระพุทธเจ้าควบคุมระยะไกลอีกแล้วครับองค์นี้แล้วก็ได้บรรลุเป็นพระละหันถึงพร้อมโดยปฏิสัมพิทานี่เรียกว่าบวชเมื่อแก่ แล้ได้บรรลุปเป็นพระละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้คติกับเรานะคือแต่และองค์นีจะมีคติอะไรต่างๆกันผมพูดเย็ยนเยินแล้วก็ไปไม่ได้กี่รูปแล้วันนี้นะคือคติตัวนี้นก็สําหรับคนที่ยังไม่มีโอกาสปฏิบัติจำหรือไม่ได้มีโอกาสใกล้คิดกับศาสนาถึงขั้นไปบวชไปอะไรอย่างงี้นะก็ได้ต้องทําพลังเตรียมไว้อย่างหนางเนี่ยนะฮะทําพลังเตรียมไว้แล้วถ้าถึงคราวพร้อมก็เอาพลังที่เหลือ มาทำทิ้งทวนด้ทีแล้วก็บวชไปเลยคงจะได้มีโอกาสได้ประโยชน์จากทำมากกว่าเราลอว่าจะไปสร้างพลังเอาตอนบวชั้นตอนนี้อะไรใกล้มือทำที่สิบเจ็ดชื่อว่าธรรมมาเถรีพระนางธรรมมาเถรีนั้นเป็นชาวสาวัตถีก็แต่งงานมีสามีขออนุญาตสามีบวชไม่ยอมสักที อันนี้จะเป็นโดยบังเอิญแล้วไปแช่งสามีไม่รู้ขอไปขอมาสามีเกิดตายไม่อนุญาตเลยตายเลยเพราะสามีตายแล้วก็เลยไม่มีเราเรียกว่ามารประจนก็คงพอได้นะมารชั้นดีหน่อยเราบุญยังเป็นมารสามีก็ยกให้เป็นมารระดับสูงห น, น่อยก็เลยได้ไปบวช ตรงนี้นะถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็อาจจะบอกว่าบวชอุทิศส่วนกุศลให้สามีก็บางทีได้คะแนนนิยมก็ม่ <Okay. S 1> ก็คงไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกจะบวชอยู่แล้วแต่ว่าถึงอย่างไรเนี่ยคติวิสัยของผู้ที่บวช ด, ด้วยดีนะก็มักจะเกื้อกูลถึงจะอยากบวชอยู่แล้วก็เกื้อกูลแก่ญาติสาโลูกิษของตัวเองคือสามีของตัวเองด้วยเมื่อนาง เออมีการบรรลุธรรมของท่านจะแปลกหน่อยครับในอิริยาบถที่แปลกหน่อยอันนี้เห็นจะต้องขออ่านคาถาของท่านให้ฟังว่าท่านบรรลุธรรมท่าไหนของท่านต้องใช้คําว่าท่านนะไม่ใช่ท่าท่าสัพแต่ว่าพูดท่าท่าจริงๆเนี่ยเพราะคนบรรลุธรรมเนี่ยมีหลายท่าเลยท่านไอ้เช่นที่ไม่รู้ท่าอะไรก็ไม่รู้อย่างพระอานนเนี่ยและบางท่านก็มีท่าปูกข้อตายก็ผูกจริงๆไม่ใช่ทำท่าปูก ในนี้อยู่ในนี้แล้วก็อย่างของนางเนี่ยปรากฏว่านางบรรลุในขณะหกล้มครับบรรลุในขณะหกลม่มดังที่นางได้เล่าเอาไว้เองอย่างนี้ครับว่าเราเป็นคนทุพลภาพมีกายอันสั่นเทาถือไม้เท้าเที่ยวไปเพื่อบินบาทได้ลม้มลงที่เป็นดินตรงนั้นเอง ที่นั้นรือหน้าที่นั้นจิตของเราหลุดพน้นเพราะพิจารณาโทษในกายนะอันนี้ก็หมายกับว่าเอาาการลมพูดสั้นๆนีคือว่าการที่เราประสบทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานได้แทนที่ว่าอารมณ์ที่เป็นอนิจจอารมณ์จะเป็นปัใจจัยให้เกิดอัตโทมนั์ก็วินเนยะโลเก กำหนดเสียจึงถึงการบรรลุเป็นพระอารหาันต์ได้สําหรับผู้ที่บารมีมีบารมีแรงแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันไปสอดคล้องกับกรรมดังนั้นนะว่าการที่คนบรรลุในอะไรอะไรเนี่ยมีอธิบายทางกรรมด้วยว่าคนจะได้ดีก็เพราะว่ามีกุศลมีอกุศลกรรมมาจังมาให้ผลร่วมในขณะนั้นและจึงได้ดีอันนี้ก็เป็นจุดที่ที่น่าสนใจจุดหนึ่งของประเด็นเรื่องนี้ ซึ่งถ้าเราเข้าใจแล้วก็เนื่องจากว่าเราไม่รู้เราก็ส่องเน้นสันนิฐานเหยื่อไว้ว่าอย่าไปกลัวไอ้ความลําบากความฝืดเคืองว้ลําบากในมันดีมันลําบากเพื่อที่จะสลัดเคราะห์กรรมและไอ้เคราะสลายเคราะกรรมได้แล้วก็ประสบราบชั้นสูงซึ่งเป็นราบในทางบารมีธรรมนั้นเมื่อนางเ อ, อหกล้มก็ยิ่งเห็นโทษเห็นภัยของนามรูป ถือเอาทุกเวทนาที่ปรากฏในกองนามกองรูปนั้นจะเริ่วิปัสนาจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็คงจะยังไม่ทันจะลุกขึ้นมาตั้งตัวนะต่อนลุกขึ้นมาตั้งตัวนะั้นเป็นพระอรหันต์แต่ไปแล้วพระเจ้าคงจะหายเจ็บหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ว่าคนที่เวลาบรรลุธรรมในธรรมะบางทีจะเสริมทําให้แผลหายอะไรหายอย่างประหลาดมีตัวอย่างในนี้นะซึ่งถ้าเรา ไม่นึกถึงไอ้ไอปรากฏการที่เราจะพอเห็นได้เราก็คงจะเหลือเชื่อแต่ว่าพลังทาสูงๆสมานแผลได้จริงๆเดี๋ยวมีตัวอย่างนะซึ่งว่าเป็นไปได้ยังไงเนี่ยก็เป็นเครื่องคิดนี่ถือเป็นเรื่องโลดโ้นกว่าธรรมด า, าก็อยู่ในประวัติพระองค์ใดองค์หนึ่งองค์ที่ท่าไห่ก็ยังยังนึกไม่ได้ตอนนี้นะแต่คงจะต้องถึงละต่อไปครับ องค์ที่สิบแปดชื่อว่านางสังคาเถรีนางสังคาเถรีนั้นปรากฏว่ามีประวัติเหมือนกับพระนางวีราองค์ที่เจ็ดซึ่งเป็นอดีตสนมพระโพธิสัตว์แล้วก็ได้บรรลุธรรมด้วยการฟังธรรมสดอันนี้ที่เหมือนกันแต่ว่าที่ไม่เหมือนกันก็คือว่า นางสังฆาเนี่ยเมื่อพ้นจากตําแหน่งอะไรไปแล้วไปมีเย้ามีเรือนน ะ, ะมีลูกมีทรัพย์สินตะลิงการมีสามีแล้วก็ถึงมาบวช ท, ที่หลังเพราะฉะนั้นในคาถาแสดงความรู้สึกในธรรมเนี่ยจึงพูดถึงประวัติหลังจากพ้นตําแหน่งหลังจากที่อ่พระพุทธเจ้าของเราสเสด็จบวชแล้วเนี่ยก็าไปมีครอบครัวไปต่อสู้โลกจนกระทั่งสละโลกมาสู่ล่มภากาสาวพัต มาบวชเป็นพระรานในที่สุดอีกรูปหนึ่งต่อไปองค์ที่สิบเก้าท่นทันใส่ตัวเลขไปด้วยก็ได้นะในนี้ใส่ตัวเลขตามจํานวนมิบาทแต่ในนี้ผมจะพูดเป็นตัวเลขตามลําดับไปใส่ตัวเลขไปว่าองค์ที่สิบเก้าอภิรูปนันตาทาเดลี อ, อพระนางอภิรูปนันตาธาเดลีเนี่ยเป็นธีดาของ อเจ้าเขม ก, กะซึ่งเป็นสักยะพระองค์หนึ่งอ่ะเป็นญาติญาติพระพุทธเจ้าแล้วเองก็เป็นคนที่งามมีรูปงามยิ่ง่จึงเรียกว่าอะพิรูป น, นันธาคือสวยอย่างยิ่งสวยขนาดตัวเองก็ยังหลงตัวเองเกิดมานะกับความงดงามของตัวเองพอโตเป็นสาวรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่ก็จัดให้แต่งงานกับพวกเจ้าศักยะเด็กกันก็เป็นหนุ่มรูปงามเหมือนกัน วันแต่งงานนั้นปรากฏว่าคู่มันตายเลยมันมันแล้วก็ตายไ ม, ไม่ไได้เร า, าตายเพราะอะไรนะ <c oughs> ก็คือตรงนี้แต่เราเล่าถึงไอ้ไอบุปกรรมคนจะเข้าวัดบรรลุธรรมแล้วเอากรรมเข้ามาเกี่ยวเนี่ยโอ้โหมันมีแง่มุมพูดเยอะนะฮะบางคนเนี่ยต้องลูกตายแล้วมันมีเป็นประเภทลูกตายครอบครัวล้มเหลวป ร, ประเภทที่อกุศลเข้านะ อกุศลผลักดันให้เข้าวัดเนี่ยทุกผลักดันให้เข้าวัดทรัพย์สินวินาศเสียหายโรคไฟไข้เจ็บแล้วก็เรื่องอื่นอีกเยอะเนี่ยทำให้เข้าวัดต่างๆกันผมก็ปรารถนาจะเก็บมาเรียงให้ดูแล้วก็มาใส่ชีวิตคนว่าให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะก็เป็นเรื่องใหญ่พสอสมควรจ ะ, จะตั้งใจจะทำสิ่งเหล่านี้ให้ครบให้หมดให้ได้ ในในภายหลังต่อไปแล้วจะให้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อการตั้งมนติการของเราต่อการแสวงหาธรรมต่อชิตากรรมของเราแล้วก็จะเข้าใจาคนที่เข้าสู่กระแ ส, สาศาสนาคนอื่นๆด้วยเมื่อพานางเข้ามาบวชแล้วเนี่ยก็ด้วยปลาด้วยพ่อแม่อยากให้บวชนะคือกลัวลูกจะคิดมากยก็ไปบวชก็ไปบวชบวชแล้วก็บวชอย่างคนไม่มีตตา ออไอ้บวชอย่างนี้ไม่ใช่บวชตามเพื่อนเรียกว่าบวชเอาใจพ่อแม่ไอไ้สมัยนี้บวชเอาใจพ่อแม่เนี่ยคือแม่อยากได้บุญพ่อแม่อยากได้บุญแต่แต่ว่าของนางเนี่ยพ่อแม่อยากแม่อยากจะสงเคราะห์ลูกก็ให้บวชจะได้ไปได้สังคมเพื่อนฝูงคนในตระกูลก็ไปบวชกันเยอะแหละนางก็ไปบวช แ, แล้วก็บวแล้วก็นี่ดีว่าวินยัยมาให้แต่งตัวไม่ ง, งั้นคงเขียนคิ้วตาปากไม่เว้นแต่ละวันแต่ก็ก็รักษาบริหารสรีละ เท่าที่เป็นไปได้ที่ไม่ไม่ไมถึงกระทาให้เพื่อนเขาตำหนิว่าทําอะไรนอกเรื่องของวินัยแต่รูปยอดก็คือว่านางมีความลําพองในความงามของตัวเองมากแล้วคนเราเนี่ยถ้ามีความรู้สึกต่อกิเลสภูมิใจในกิเลสความผิดความบาปอย่างหนึง่งแล้วก็ก็จะไม่ชอบพระนะครับโดยเฉพาะพระถ้าตัวเองติดบุหรี่ไม่ชอบพระเทศด่าเรื่องคนสูบบุหรี่ใช่ไหมจ๊ะตัวเองชอบกินเหล้าพระเทศเรื่องกินเหล้า ไม่ชอบใช่ไหมฮะแล้วอันนี้ยงก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าแสดงมักแสดงธรรมะในเบื้องสูงตําหนิเรื่องนามรูปว่าเป็นของมีโทษเป็นของปฏิกูลทั้งลึกทั้งตื้นนางก็ไม่ชอบมันแสดงความต้องการของตัวเองพวกนี้นะเรียกว่าเข้าวัดที่ไหนพระที่ไหนหรือพระอผู้แสดงธรรมที่ไหนแสดงธรรมแล้วถูกใจอ่ให้เกียรติ รับรองความชอบของตัวเองก็มั่งใจชอบไปอย่าง น, นี้ก็เป็นธรรมดาไม่เข้าวัดก็แบบนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงทรมานด้วยเนรมิตรภาพอย่างที่ว่าจึงมีผลทําให้นางบรรลุเป็นพระอรหันต์นะฮะในระยะใกล้ๆ ก, ก, กันเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทรงถ้าอย่างนี้จะทรงปลดกิเลสความเมาลูกด้วยแสดงฤทธิ์ให้เห็นก่อน อันนี้ก็เคยเล่าแล้วแสดงฤทธิ์ในที่แสดงธรรมต่อหน้าคนนะแต่ว่าคนอื่นไม่เห็นปิดตาบังตาคนอื่นแต่นางเห็นแล้วพอคลายฤทธิ์แล้วก็ทรงแสดงคาถาคาถาที่จี้จุดต่อเติมไปจากที่ได้ทรงทำฤทธิ์ทรมานชำระกิเลสเบื้องหยาบจึงบรรลุพระอรหันต์หลังจากนั้นหลังจากแสดงคาถาเฉพาะบุคคลเราก็เห็นว่าพระพุทธเจ้านี่ การแสดงธรรมท่านนี้น่าศึกษาว่าไม่ใช่พูดแล้วก็ใช้ร่วมกันธรรมะร่วมกันนะฮะตัวอย่างร่วมกันอารมณ์ร่วมกันแต่ว่าพราะองค์เดียวเนี่ยทรงกําหนดคนไว้ในใจเลยว่าคนมีกี่ประเภทมีกี่กลุ่มแล้วก็ทรงแสดงธรรมได้ในลักษณะเรียกว่าได้หลายลําโพงอนะหลายลําโพงแสดงคนนี้อย่างนี้คนน้นไม่ได้ยินตรงนี้ไม่เห็นภาพตรงนี้คนนี้เห็นภาพ เพราะฉนั้นนี่คือพลังลิทธ์ที่เอามาเป็นเครื่องมือองค์ต่อไปนะชื่อว่าเชนตาเทรีพระนางเชนตาเทรีนั้นเป็นองค์ที่ยี่สิบเป็นลูกเจ้าลิชวีหรือเชื้อกระสัดลิชวีเมืองเวสส์แล้วนางเองนั้นปรากฏว่าเป็นคนสวยและสิทธิความงามของตัวเองจัดเท่นเดียวกับพระนางอภิรูปันนันธาเนี่ยท่านเอามาเรียงติดกันไว้ พระพุทธเจ้าถ้าไปเจอคนอย่างนี้จะทรงทรมานลักษณะเดียวกันคือไอ้คนมีมารเนี่ยต้องเกทับไอ้ที่มันสูงกว่านะก็ในละมิตรูปนะบางทีก็เสี่ยงเหมือนกันนะนี่ก็จะได้เล่าไว้สักนิดหนึ่งพรามันใกลๆกันอย่างทรมานพระนางเขมาเนี่ยพระนางเขมาก็แบบเดียวกัน เป็นคนสวยฉลาดฉลาดด้วยสวยดวยแล้วก็เมาในมานะในรูปเหมือนกันแล้วไปไปไปเยี่ยมพระเวโรวนันไปชมพระเวโรวนันราชบุรุษพาไปโดยคําสั่งพระเจ้าปเสนพระเจ้าปิมิษานเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไปหาพระพุทธเจ้าอยู่ครึ่งวันนะพระพุทธเจ้าต้องการไม่ต้องการมาพบให้ให้เสียเวลาไปครึ่งวันอันนี้เป็นอุบายพอได้มาพบเนี่ยปรากฏว่าพระพุทธเจ้าลายลอ้อมพระเจ้าแทนที่จะมีพระอานนมีพระสงฆ์ไม่ไแยกก่น มีแต่ผู้หญิงถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ละเสี่ยงมากแต่ว่านางไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้ตามมอมไม่รู้อีไงก็เห็นมีแต่ผู้หญิงปนนิบัติล้อมไปหมดเลยแทนที่นางยันนึเสริมศรัทธาไหม่หรอครับไอ้คนคนเราเวลามันมีกิเลสเนี่ยบางทีมศรัทธาเพราะอย่างอื่นนะศรัทธาเช่นว่าพระ หนูมาพระห่มจีวรราคาแพงแล้วมันไม่รู้ลังศาสนาเนี่ยมันก็อาจจะเริ่มสายแมสเราใส่เสื้อนอกชุดแล้วไม่กี่ตังปละใส่จีวรแพงกว่าละนี่ผมสมมติน่ะสมะสมติพูด้วาพวกนี้เขาคิดไปตามภาษาคนคนกิเลสก็นึกโอ้โหนี่ขนาดคนใช้พระพุทธเจ้านะเนี่ยไอเราเนี่ยไปสมัครเป็นคนใช้ของคนใช้พระเจ้าจะรับหรือเปล่าเรายังไม่รู้อันนี้แตงก็เล่าเป็นความรู้สึกก็งั้นผมไม่ได้บูรเองก็ตะลึงจังงานเลย โอ้โหนี่ไม่ใช่งามแต่จะเพาะพระเวโรวันนะเนี่คนใช้ในพระเวโรวันก็งามแต่ลึงมองด้วยความเพลิดเพลินแล้วพระเจ้าก็ทรงทมอิทาที่สังขารแบบเดียวกันให้ค่อยๆแก่ค่อยๆงอนางก็ค่อยๆ ค, คือไอคนมีมานะนี่มันมีกิเลสเชิงเปรียบเทียบใช่ไหมฮะไอลักษณะลักษณะดีของคนมานะเนี่ยถ้าเอาไปใช้ทางดีก็เรียกว่าคนพยาบาทคนกตัญญูลักษณะจําคนลักษณะมานะลักษณะเปรียบเทียบ เพราะนั้นพวกนี้นะเวลาศึกษาถ้าปัญญาเฉวยวิไลน์เนี่ยจะศึกษาในทางเทียบเคียงอะไรแต่ไรเก่งเทียบสูงเทียบต่ำอะไรเงี้ยจะเก่งสายตามองประษาตาดูนูน่นดูนี่จะเก่งนะเพราะฉะนั้นนางทีแรกนะเทียบอย่างกิเลสต่อมาก็เทียบวเอ๊ะเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นในขณะก็ดีกับเรายังเป็นยังเป็นอย่างนี้ก็เลยลดความเมาในรูปแพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นว่าทรงปราบมานะได้จึงได้ทรง แสดงธรรมทาให้พระนางนั้นบรรลุเป็นพระอรหรนั น, น, น, นะนตนน์ในขณะยืนอยู่นั่นเลยนะในอัตตาถาว่างั้นในขณะยืนอยู่นั้นเลยนางเป็นคนฉลาดไม่ต้องอ ต, อตามดูแลต่อหรือไม่ต้องอ่าตามเกื้อกูลต่อนั้นผมเลยพูดไปถึงนางรูปานันธาเพราะนั้นท่านเหล่านี้นจะทรงถูก จะจะถูกปีจะถูกท ร, รมานด้วยอาการคล้ายคายกันอย่างนางเนี่ยเมื่อมีความมัวเมาแต่พระนางเชนตาเนี่ยได้เข้ามาฟังธรรมแล้วก็เกิดปีตินะคือฟังธรรมแล้วเกิดปีติเมื่อเกิดปีติพุทธเจ้าก็ทรงยกระดับธรรมทำให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดเลยจากนั้นพระเทลีชื่อว่าสุมังคลามาตาแปลว่า แม่ของสุมังคละสุมังคล ะ, ะเป็นชื่อของพระอรหันต์เดละองค์หนึ่งแปลว่าพระเทเรูปนี้เนะี่ยไม่ธรรมดานะครับมีลูกเป็นประอรหันและตัวเองก็เป็นพระรอรหันอรหันต์ทั้งแม่ทั้งลูกใครเป็นก่อนใครเนี่ยมีรายละเอียดตรงนี้ครับองค์นี้กําเนิดถือกําเนิดเกิดในตระกูลที่ยากจนอยู่ที่เมืองสาวถี พ่อแม่ก็เมื่อถึงวัยแต่งงานก็ยกให้เป็นภรรยาของช่างศาลช่างศาลไม่ไผ่ศาลกองใช้ต่างๆนี่นะก็เมื่อแต่งงานแล้วก็มีลูกคนหนึ่งลูกคนนี้ได้ตั้งชื่อว่าสุมังคระนั่นแหละครับเหมือนอย่างที่เอามาเป็นชื่อของนางแล้วก็ต่อมาทั้งแม่ทั้งลูกได้เริ่อมใสาศาสนา แล้วก็ได้ออกบวชพร้อมกันทั้งแม่ทั้งลูกไม่รู้พ่อไม่พูดถึงไปอยู่ไหนไม่รู้สารตะกราบเปลินยังไงไม่ทราบเลยบวชกันสองคนนะแม่กับลูกและเมื่อได้ออกบวชแล้วลูกได้เป็นพระอรหันต์แม่ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งคู่นี่ก็นับว่าหายากต่อไปองค์ที่ ยี่สิบสองชื่อว่านางอัถกาสีเถรีประวัติของนางนั้นเป็นลูกเศรษฐีชาวเมืองกาสีหรือแควนกาสีที่ใครไปอินเดียก็จะต้องไปเมืองนี้ทุกคนเป็นคนงามฮะเป็นคนสวยแต่เชื่อไหมครับว่าลูกเศรษฐีชาวแคว้นกาสีและสวยนี้ในที่สุดได้กลายเป็นโสเภณี ในประวัติของพระเสรีเนี่ยมีเป็นโสเพณียอยู่หลายองค์นะแล้วบางองค์ถึงขนาดตัวเองก็เป็นแม่ก็เป็นโสเพณีด้วยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟังต่อต่อไปนะไอฟังแล้วเนี่ยเราฟังด้วยให้เป็นประโยชน์แก่มรณาการว่าคนเราเนี่ยเป็นโสเพณีก็จเจริญในธรรมบรรลุเป็นพระอริยะได้อย่าไปนึกดูถูกกันนะฮะเพราะนะ่ะคนคนมันมีกรรมมีอะไรแตกต่างกันนะฮะอย่างอย่างกลายของ พนางอรกาศีเนี่ยทั้งที่เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีแล้วก็สวยแต่ว่ากลายเป็นโสเพณีเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของบุปกรรมเก่าวที่ได้ทำเอาไว้ได้ทำกรรมไว้เมื่อหลายได้ทำกรรมไว้ในสมัยพระพุทธกรรับกษัตริพะพุทธเจ้านะฮะคือในตอนนั้นเนี่ยมีอรหันต์หญิงองค์หนึ่งก็ได้บวชอยู่ในสำนักเดียวนางนั้น ความจริงก็เป็นคนที่อยู่ในศีลในอาจารดีพูดถึงนางอัตกาสีนี่แต่ยังเป็นปูุ้ชนอยู่แล้วก็วันหนึ่งเกิดไปโกรธอรหันหญิงเข้าหลุดปากบริพาทไปได้คำว่าอันนี้เขาแปลผมอ่านตามแปลนะจะได้ไหมาว่าเป็นคำอีอีแพทย์สยาอีหญิงแพทย์สยาไปด่าล่าอรหันอย่างนี้ท่านลองคิดดูด้วยความโกรธ ศีลนั้นตัวเองมีอยู่ก็จริงแต่คุ้มไม่ได้อกุศลต้องเป็นอกุศลจึงเป็นผลทำให้นางนั้นได้เกิดในสกุลหรือในเป็นลูกของโสภพณีเนี่ยมาหลายหนและในชาติสุดท้ายอกุศลเข้ามานำเกิดเกิดในที่สูงไอ้อกุศลนั้นก็เป็นกรรมเบียดเบียนทำให้ชีวิตในวัยสาวของนาง น, นั้นได้กลายเป็นโสเพณีไปในที่สุด แต่เนื่องจากว่าบุญบา ร, รมีของนางมีตอนหลังนางได้มาฟังธรรมมาธรรมโมเกิดเลื่อมใสมีจิตขี่เชบวตก็ตอนพน้ะพุทเจ้ามาอยู่ที่แคว้นกาสีพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จประทับอยู่ที่เ <c oughs> มืองสาวัตถีคนละแคว้นกันก็เตรียมตัวจะไปขอบวตกับพระพุทธเจ้าพวกโจรเนี่ยมารว่าจะเดินทางมันก็ไปดักลน นางก็รู้ว่าโจรไปดักปล้นก็เลยเอ้ไปก็จะโดนปล้นโด น, โดนประทุจะลายก็เลยส่งทูตไปส่งคนเอาจดหมายไปหรือเรียกว่าส่งทูตไปถามว่าเ อ, อมันมีเหตุขัดข้องอย่างเนี้ถ้าจะบวชจะทําทำยังไงพระเจ้าก็ทรงอนุญาตการบวชมีการบวชที่หนึ่งเรียกวบวช ด, ด้วยทูตบวช ด, ด้วยทูตคือบวชตามคําสั่งคนบวชอยู่ที่คนถูกบวชอย่างนี่เดี๋ยวนี้เขาเรียกวบวชในระบบยุค ข, ข่าวสารข้อมูล ก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็ตามความจำเป็นตอนนั้นก็เมื่อได้บวชแล้วนางก็มีจิตใจเลื่อมใสอยู่แล้วก็ธรรมดานะได้เจริญวิปัสสนาอันนี้ถือเป็นกิจที่สมัยก่อนเนี่ยเรียกว่ารู้ๆกันโดยเฉพาะกับคนที่เข้ามาบวชด้วยสำนึกในลักษณะอย่างนี้และพระพุทธเจ้าก็ทรงดูแลขึ้นบัญชีไว้ดูแล คนที่มิวปนิสัยในสุดก็ได้บรรลุเป็นพระลาลันอีกองคหนึ่งได้เป็นสามิทาด้วยนะต่อไปองค์ที่ยี่สิบสามชื่อว่าจิตตาเถรีเป็นลูกของคฤหาบดีมหาศาลคือเกิดคาหาบดีนี่ก็รวยอยู่แล้วถ้าเติมคำว่ามหาศารแปบลบว่าเป็นคนรวยในหมู่คนรวยคฤหาบดีมหาศารชาวเมืองราะชะครืครับเมืองข้าเจ้าปิมพิสาร ก็มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก่อนนานแล้วแต่ว่ามาได้บวชเนวเอาตอนแก่แล้วเมื่อมาได้บวชตอนแก่เนี่ยก็เกิดวิยะเกิดวิยะขึ้นมานะเรียกว่าไอ้ถ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมะเนี่ยเรียกว่าไม่ไม่เจียมสังขารนะแต่เป็นเรื่องโลกโลกนะไม่เทียมสังขารศรัทธาแรงก็ ก็ดีว่าได้สั่งสมอะไรอะไรมาแต่มาบวชเอาเมื่อแกเมื่อบวชแก่เนี่ยยังไงสังขารก็เป็นอุปสรรคและนางน่ะได้เสวแวงหาที่หลีกเล่นที่ที่คนแก่ไม่ควรจะไปเลยไปทำกรรมฐานที่ไหนลรือขึ้นเขาเนี่เรียกว่าแหมวิริยะแ่งมากขึ้นไปปฏิบัติกรรมฐานบนเขาที่จะขูดก็ทำให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยมเมื่อยล้าเป็นธรรมดานะ แต่ด้วยอำนาจวาสนาบา ร, รมีจึงทำให้นางไปบรรลุเป็นพระอระหันต์บนเขาคิจกุเดี๋ยวผมอ่านคำพูดของนางให้ฟังสักนิดกันลวกันว่าเราเป็นผู้มีร่างกายผ่ายผอมทุกพลภาพหนักเพราะความไข้ถือไม่เท้าไปในที่ไหนๆก็จริงถึงอย่างนั้นเรายังขึ้นภูเขาได้ วางผ้าสังฆาติและคว่ำบาทแล้วนั่งบนภูเขาทำลายกองความมืดคมตนไว้ก็คือถือไม่เท้าขึ้นไปบนเขาไปเป็นพระร้านบนเขาเราคงไม่มีโอกาสจะได้รู้หรอกครับว่าบนเขาขียกูดเนี่ยมีพระอริยะไปบรรลุตรงไหนตรงไห น, ไหนกี่รูปนะฮะฉะนั้นที่จะไปอย่ามาให้ผมเล่าว่ามีใครบ้างผมเล่าไม่ได้หรอก ว่าที่ไหนมีแล้วมันเรื่องเรื่องมันอาจจะพอนับได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้นับแล้วเรื่องใหญ่มากอยู่คนละที่คนละทางนะเอาไว้ไปเที่ยวที่สามเที่ยวที่สี่จะจะนับไปเล่าให้ฟังนี้นะจะได้ทราบซึ่งประเทที่เหล่านี้น่ะบรรดาท่านเหล่านี้ท่านรู้กันเป็นที่ที่มีใกล้ๆมีพลังจิตมีอะไรสั่งสมอยู่การไปอยู่ในที่เหล่านั้นก็มีส่วนทําให้ธรรมะเดินได้ดีเพรว่า าการเจริญในธรรมเนี่ยอาศัยอาจารย์อาศัยสถานที่สถานที่ด้วยเหตุผลทางด้านนี้เป็นอันหนึ่งนอกเหนือไปจากเหตุผลทางสัปปะยะอย่างอื่นถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะในตำราพูดอย่างนั้น <c oughs> ต่อจากนั้นครับองค์ที่24ชื่อว่าเมติกาเจรีเป็นลูกพรามหาสารชาวเมืองและจะคือก็ มีประวัติคล้ายๆพระนางจิตตาองค์องค์งเมื่อกี้นะองค์ยี่สามแต่ว่าที่พิเศษก็คือนางเนี่ยได้ทำบุญอันหนึ่งที่ได้สั่งสมอบรมปรารถนาไว้ก็คือว่าได้เคยที่มาเป็นลูกเศรษฐีแล้วก็มีความสวยความงามมีความสำเร็จเป็นพิเศษเฉพาะนางนี่ท่านบอกว่าได้ถาวายรัดประคตรัดเอวที่สาเร็จด้วยลักษณะบูชาเจดี พระพุทธสิทธัถะไว้แต่อดีตชาติอันนี้เป็นบุญที่แสดงบูปกรรมเป็นบุญทรงเป็นเรียกว่าเป็นการบูชาด้วยเครื่องประดับเครื่องประดับต่อทั้งที่ตอนทำเนี่ยพระพุทธเ้าบริณิพัทธแล้วพ ร, พระพุทธเจ้าองค์ น, นั้นน่เก่าแล้วนะพระพุทธสิทธัะไม่ใช่โกตะมะแต่ชื่อคล้ายๆชื่อเดิมของพระพุทธเจ้าบุญนั้นได้มาช่วยส่งเสริมอันนี้ก็เล่าเล่ากรรมเป็นพิเศษไว้ บุญที่เกิดจากการบูชาถ้าเราเอาเครื่องมาดับไปบูชาในบูชาแล้วเอากลับเนี่ยถือเป็นบูชาไหมเป็นแต่ว่าเข้าบูชาสมัยก่อนบูชาแล้วเอากลับหรือไม่เอากลับไม่เอากลับบูชาก็บดีสถานไปเลยก็บูชามีสองอย่างอะบูชาแบบไหว้เจ้ากับบูชาแต่ใส่บาทก็ไม่เท่ากัน แต่สมัก่อนบูชาแล้วก็ก็โดยมากไม่เอาต่อไปอีกองคหนึ่งครับองค์ที่ยี่สิบห้านี่เกิดในศักยะตระกูลฮนะเป็นพวกศักยะก็ได้ได้ฟังธรรมเลื่อมใสมานานพอสมควรต่อมาได้บวชไม่ได้บวชพร้อมนะได้บวชในสำนักของพระนางประชาบดีบวชที่หลังครับไม่ได้อยู่ในกลุ่มห้าร้อยบวชแล้วแม่นางก็ได้บรรลุเป็นพระหลานชีวิตก็ไม่มีอะไรโลดผล น, นะองค์นี้ แต่ลู้ว่าเป็นชาวสักยล